วันหนึ่งขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกำลังจะไปยังศาลาการประเรียนเพื่อสอบอารมณ์ให้ญาติโยมแม่ชีเจียนก็เข้ามารายงานว่าท่านสมภารช่วยไปดูแม่ชีแดงหน่อยเถอะแก่สันเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วก็พูดเพ้อเจอฟังไม่ดีสัก์ฉันไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรเลยต้องมานิมนต์แก่ไม่สบายมาก่อนหรือเปล่า หรือว่าอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาปุบปับอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาปุบปับเลยจะ้ะกำลังนั่งกินข้าวอยู่ก็หงายหลังล้มตึงลงไปพวกฉันช่วยกันประครองรุกขึ้นนั่งแกก็ตัวแข็งและสั่นเป็นเจ้าเข้างั้นก็ไปดูแกหน่อยอยู่ที่สํานักทีใช่ไหมจะ้ะ นิมนต์ไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะต้องหาเพื่อนก่อนอ๋อมัคคณายกมาพอดีช่วยไปเป็นเพื่อนอาตมาที่สำนักทีหน่อยเห็นว่าแม่ทีแดงไม่สบายเมื่อพระเจริญกับมัคคณายกไปถึงสำนักที ก็พบแม่ชีแดงนั่งตัวสันงันงกอยู่กลางวงล้อมรอบด้วยแม่ชีอีกสี่รูปเห็นสมพานมาแม่ชีแดงก็ก้มลงกราบเป็นจังข้าประดิษฐ์อย่างสวยงามจนเพื่อนทีพากันแปลกใจเพราะกริยาเช่นนี้ไม่ใช่แม่ชีแดงอย่างแน่นอนกราบแล้วก็พูดว่านี่มนจ้ะขอบคุณเหลือเกิน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 ก็ไหนว่าจะมาปฏิบัติกรรมฐ า, านกับแม่ชีเขียวไงมารบกวนชีเขาล่ะโยมเป็นเปรตอยู่ไม่ใช่หรือมาทำกรรมแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ไปผุดไปเกิดล่ะท่านตำหนิติเตียนเปรตแม่การหลงที่อาหารมาเข้าแม่ชีแดงก็เพราะฉันกำลังจะไปผุดไปเกิดนี่แหละจ้ะ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 ก็ยังทนดูไม่ได้ใช่ว่าพวกฉันจะจงเกรยียดจงชังเขาเมื่อไหรกันอาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรโยมนี่นะทายกอาตมาว่าอะไรไม่ชี้เขาหรือเปล่าท่านถารมะขณายกเพื่อหาพยานยืนยันไม่ได้ว่าครับตั้งแต่ผมมากับท่านยังไม่ได้ยินแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบ มรคนายกตอบพร ะ, ะเจริญเห็นว่ามกคนายกไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับท่านจึงเบนความสนใจไปที่แม่กระหลงด้วยการถามว่าที่ว่ากำลังจะไปเกิดนะ่ะจะเกิดที่ไหนที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาจะพรุ่งนี้ชั้นจุติจากภูมิเปรตไปอุวัตเป็นเทพ และฉันก็จะอยู่ที่นี่จะช่วยท่านสมภารดูแลวัดและรับแขกอีกหน่อยจะมีคนมาเข้ากรรมฐานกันมากจนแม่ชีดูแลไม่ไหวฉันก็จะคอยช่วยตั้งใจว่าจะช่วยงานอยู่ที่วัดนี้สักห0สิบปีแล้วก็จะไปอยู่ภพภูมิอื่น 50ปีของโลกมนุษย์เมื่อเทียบกับเวลาในสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาก็แค่วันเดียวเองแม่กาหลงบอกพระเจริญแล้วถ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงละ่ะสมภารวัดป่ามะม่วงต้องการตรวจสอบว่าแม่กาหลงจะรู้จริงหรือไม่ถ้าชั้นดาวดึงก็แค่ครึ่งวันจ้ะ เพราะร้อยปีของโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงแม่กาหลงตอบสมพานวัยสามสิบเศษจึงแน่ใจว่าแม่กาหลงรู้จริงเพราะในคัมภีร์ทางศาสนาก็บอกไว้ชัดเจนเอาละไหนไหนก็จะเปลี่ยนจากเปรตไปเป็นเทพแล้วก็เลิกโกรธเคืองแม่ชีแดงเสียที เขาจะทำบาปมันก็เรื่องของเขาอาตมาขอขอบใจที่เป็นห่วงวัดป่ามะม่วงออกจากแม่ชีแดงได้แล้วจ้ากำลังจะออกเดีน๋นี้ที่จริงฉันก็ไม่ได้คิดจะลงโทษอะไรเขาหรอกแต่ถ้าฉันไม่ทำอย่างนี้ก็คงไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่าน แร้ท่านไม่ยอมมาเยี่ยมเยียนบ้างเลยครั้นจะไปคุยกับท่านที่กุตติก็จะหาว่าฉันละลาบละลวงแม่กาหลงบอกเหตุผลที่แท้จริงของการมาเข้าแม่ชีแดงก็อาตมาบอกแม่ชีเขียวไว้แล้วว่าจะช่วยสอบอารมณ์ให้เอาเถอะถ้าจะไปสอบอารมณ์แล้วก็อาตมา อนุญาตแต่ต้องมีแม่ทีเขียวไปด้วยนะท่านกำชับแม่ทีเขียวจึงพูดขึ้นว่าแม่กาหลงเขาสอนง่ายจ่ะท่านสมพานท่านสอนเดินจงกรมให้ครั้งเดียวเขาก็ทำได้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไม่มีข้อสงสัยอะไรที่จะไปเรียนถามท่านฉันก็เลยไม่ได้พาไป แบบนี้แสดงว่าผีปฏิบัติเก่งกว่าคนใช่ไหมครับมืคณายกถามถูกแล้วหน้าอายผีไม่ละ่ะท่านถามบุรุษหนึ่งกับสตรีห้าที่อยู่ณที่นั้นทุกคนปิดปากเงียบโดยไม่รู้จะโต้อตอบว่าไงงั้นฉันจะออกจากแม่ชีแดงแล้วนะจ๊ะขอบคุณท่านสมพาน ที่อุตสาห์มาเยี่ยมฉันพูดจบจึงกราบเป็นจงังคะประดิษฐ์สามครั้งแล้วร่างของแม่ชีแดงก็หงายผึงลงไปนอนแผ่อยู่บนพื้นแม่ชีเจียนรีบไปหายาดมมาจอที่ปลายจมูกส่วนคนอื่นๆช่วยกันนวดขาแขนให้ครู่หนึ่งแม่ชีแดงก็ได้สตินางลุกขึ้นนั่งแล้วถามว่านี่ฉันเป็นอะไรไป ถูกผีเขานะ่ะแม่ทีเจียนเข้าไปตามถนสมพานมาไล่ผีออกให้แล้วแม่ทีเขียวบอกพระเจริญเห็นหมดธุระแล้วจึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะผีออกแล้วอาตมาจะกลับแล้วนะจะไปสอบอารมณ์ให้ญาติโยมเขาแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ชวนมัคคนายก เดินไปยังสาลา ก, การปรเรียนที่ญาติโยมรออยู่ปีนี้งานทอดกระถินของวัดป่ามะม่วงยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งทั้งนี้เพราะนางสายบัวบุญยะสถาพร ห์ปตานีของจังหวัดลบบุรีเป็นเจ้าภาพมีการจัดดอกไม้สดอย่างสวยงามประดับประดาศารากา ร, ปรเปลียนพระเจริญออกแปลกใจที่คนจัดดอกไม้แทนที่จะเป็นผู้หญิงกลับเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีนับได้ถึงห้าคนและแทนที่จะเป็นหนุ่มหล่อกลับเป็นหนุ่มสวยเพราะแต่ละคนหน้าตาสะสวยราวกับผู้หญิงนอกจากนี้ ยังพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกริยาท่าทางหรือกระดูกระตุ้งกระติ้งผิดวิสัยชายชาตรีอยากรู้นักว่าเหตุใดจึงมาเป็นเช่นนี้ได้เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงใช้เห็นหนอเข้าสำรวจตรวจสอบแล้วก็ได้ทราบว่าห้าหนุ่มมีเศษกรรมของการผิดศีลข้อสามตามติดมาแต่ชาติปางก่อนทว่า เป็นกรรมที่พอจะแก้ไขได้หากพวกเขาได้บวชในพระบอระพุทธศาสนากรรมนั้นก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมนอกจากท่านแล้วก็ไม่มีใครจะช่วยพวกเขาได้สิ่งที่ท่านต้องทำในบัดนี้คือพยายามพูดโน้มน้าวจิตใจให้พวกเขายอมบวชยมช่วยไปบอกพ่อหนุ่มห้าคนนั่นด้วยว่า จัดดอกไม้เสร็จแล้วให้มาคุยกับสมภารหน่อยท่านบอกมรณาโยกเมื่อทราบว่าสมภารรูปหล่อต้องการจะพูดด้วยบรรดาผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงก็พากันริกระรีคลั้นจัดดอกไม้เสร็จจึงเดินเรียงหน้ากันเข้ามากราบพระเจริญกราบเสร็จก็นั่งพับเพียบ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 อุ่ยขอบคุณฮะหนุ่มหนึ่งประนมมือไหว้พลางกล่าวขอบคุณบัตรดนนั้นภิกษุวัยสามสิบเศษจึงดำเนินการตามแผนแต่อาตมาดูหน้าโยมแล้วเห็นว่ากำลังมีเคราะห์เคราะดีหรือเคราะร้ายฮะหนุ่มคนเดิมถามเสียงอ่อนเสียงหวานพระเจริญจึงตอบว่าเคราะห์ร้าย เคราะห์ร้ายที่สุดในความคิดของท่านผู้ที่เกิดมาเป็นชายแล้วมีอันจะต้องกลายเป็นหญิงนั้นเคราะร้ายที่สุดได้ยินว่าพวกตนกำลังเคราะห์ร้ายห้าหนุ่มก็เสียใจคนนั่งหลังสุดจึงถามขึ้นว่าแล้วจะสะดอะเคราะห์ได้หรือเปล่าฮะ ห, หลวงพี่ช่วยสะดอะเคราะห์ให้พวกหนูได้ไหมฮะได้แต่มีวิธีเดียว ที่จะสะเดาะเคราะห์ได้คือต้องบวชที่วัดนี้ท่านรู้ว่าหากไปบวชวัดที่ไม่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานพวกเขาก็จะไม่สามารถแก้กรรมได้นั่นคือพวกเขาต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเจริญสติปัฏฐานสอย่างเคร่งครัดจึงจะสามารถตัดเศษกรรมฝ่ายอากุศลที่ติดตามมาแต่ชาติปางก่อนออกไปได้ ฮบวชห้าหนุ่มอุทานขึ้นพร้อมกันราวกับนัดแล้วทำปากเบถูกแล้วและต้องบวชที่วัดนี้เป็นวิธีเดียวที่จะสะเดาะเคราะห์ได้พระเจริญยำ้ำคนทั้งห้ามองหน้ากันเลิกลักแล้วคนหนึ่งก็ถามขึ้นว่าบวชเมื่อไรฮะพวกหนูเพิ่งจบมาหาวิทยาลัย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 คนที่สองเป็นครูยังโสดหออ๋อแล้วพี่ๆมางานนี้ด้วยหรือเปล่าคนโตไม่ได้มาหอมาแต่คนที่สองที่นั่งอยู่ข้างคุณแม่นะหออ๋อสมภารวัดป่ามะม่วงรับทราบขณะนั้นวงดนตรีไทยกำลังบรรเลงเพลงแขกลบบุรี พระเจริญรู้สึกว่าคนเล่นช่างเล่นได้แพเราะจับใจโดยเฉพาะคนตีระนาดเลือดนักดนตรีเก่าวิ่งซ่านไปทั่วสกลกายจนต้องกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนออยู่ในใจกระนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าหากไม่เกรงใจผ้ากาสะวะที่นุ่งห่มอยู่คงต้องเข้าไปร่วมวงกับเขาด้วยเป็นแน่ ลุงพี่คงชอบดนตรีไทยมากนะฮะฟังเพลินเชียวหนึ่งในห้าหนุ่มพูดขึ้นื่อเห็นสมภารมองไปที่วงดนตรีบ่อยครั้งระหว่างที่สนทนากับผู้เขาถูกแล้วอาตมาเคยรับจ้างเล่นดนตรีทั้งรับจ้างเล่นและรับจ้างสอนพอมาบวชเลยจำต้องเลิกแหมถ้าพระเล่นดนตรีได้ เหมือนอย่างโยมก็ดีสินะอาตมาจะได้ไปขอเขาเล่นด้วยท่านพูดยิ้มยิ้มอย่าเลยฮะลงพี่ประเดี๋ยวจะไปแย่งอาชีพญาติโยมเขาถ้าพระเล่นดนตรีได้โยมเขาก็จะมารับจ้างสวดศพแทนพระไปไปมาๆก็เลยกลายเป็นว่าโยมมาแย่งอาชีพพระเพราะพระไปแย่งอาชีพโยมก่อนนะฮะ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 เขาไม่อยากบวชแต่ก็กลัวจะมีเคราะห์อย่างที่พระเจริญทายทักไม่มีปัญหาหรอกพ่อหนุ่มอาตมารับรองว่าพ่อแม่เขาจะดีใจเสิอีกที่ลูกชายจะบวชเรียนเอาเถอะถ้าเขาไม่ยอมให้บวชอาตมาจะพูดกับเขาเองท่านรู้สึกว่าถึงอย่างไรบิดามารดาของชายหนุ่ม ย่อมไม่ขัดข้องที่จะให้บุตรชายของตนบวชใครเลยจะอยากเห็นลูกชายกลายเป็นลูกสาวสมพา์วัดป่ามะม่วงให้ความเมตตาแก่ภิกษุนวกะทั้งห้ารูป ด้วยการสอนวิปัสสนากรรมาฐานให้พวกเขาด้วยตนเองและแยกมาสอนที่ในโบสถ์จะได้ไม่ปะปนกับญาติโยมซึ่งปฏิบัติอยู่ที่สาาการปรเรียนผู้บวชใหม่ทั้งห้าต่างตั้งอกตั้งใจปฏิบัติด้วยต้องการจะสะเดาะเคราะห์เมื่อได้มาอยู่ในเพศบรรพชิตสมณะสัญญาคือความสำนึกในความเป็นสมณะของตนก็ช่วยกำกับพฤติกรรม กริยาท่าทางเยี่ยงสตรีเพศค่อยๆหายไปมีความเป็นชายชาตรีมากขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงท่านมีความกระตันอยู่เป็นเลิศเพียงพวกเขามาช่วยจัดงานวัดท่านก็สำนึกในบุญคุณอยากจะสงเคราะห์ผู้ไม่เคยมีบุญคุณต่อท่านท่านก็ยังช่วยเขาจะกล่าวไปใหญ่กับผู้ที่เคยมีบุญคุณเล่า บ่ายวันโกนขณะที่พระเจริญกำลังสอบอารมณ์ให้พระบวชใหม่ทั้งห้ารูปอยู่ในโบสถ์บุรุษหนึ่งก็เดินเข้ามากราบแล้วนั่งรออยู่ห่างๆเมื่อท่านเสร็จจากการสอบอารมณ์จึงเรียกเขาเข้ามาใกล้โยมมาจากไหนมีธุระกับอาตมาหรือเปล่าท่านถามผมมาจากกรุงเทพครับ เขาเรียกกรุงเทพแทนที่จะเป็นบางกอกอย่างที่คนบ้านนอกเรียกอ๋อแล้วมาอย่างไรมารถหรือมาเรือมารถครับผมนั่งรถโดยสารมาลงที่ขนส่งแล้วต่อเรือจากจังหวัดมาที่วัดนี้ครับชายหนุ่มตอบคำถามแล้วมีธุระสาคัญอะไรหรือเปล่า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 ก็ไปเอาออกเสียเพศหนึ่งให้หมอผ่าตัดเอาเพศหญิงออกไปแล้วค่อยมาขอบวชท่านปลอบครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับผมลาละพูดจบก็กราบสามครั้งแล้วรีบลุกออกมานึกอายพระหนุ่มห้ารูปที่นั่งสงบเสงเงียมอยู่ณที่นั้นหลวงพ่อครับผมสงสัยจัง พระเดชาพูดขึ้นพอบวชแล้วพระนวกะทั้งห้ารูปก็เรียกพระเจริญว่าหลวงพ่อแทนที่จะเป็นหลวงพี่เหมือนเมื่อตอนก่อนบวชสงสัยอะไรละ่ะท่านถามสงสัยว่าหลวงพ่อไปเห็นอวัยวะเพศเขาได้อย่างไรในเมื่อเขาก็นุ่งห่มออกมาเรียบร้อยอย่างนั้นก็ใช้ตาในดูนะสิ ตานอกก็ดูได้แต่ภายนอกส่วนตาในก็ใช้ดูภายในได้ภิกษุวัยสามสิบเศษตอบแล้วอธิบายต่ออีกว่ากระเทยบวชไม่ได้หรอกถ้าผมบวชให้ผมก็ต้องอาบัตอีกอย่างหนึง่งผมไม่นิยมชมชอบผู้ที่ไม่พอใจในเพศดั้งเดิมของตน พวกคุณจําไว้เลยว่าคนดีนั้นจะต้องเป็นชายจริงหญิงแท้ถึงจะเป็นคนแก่ที่น่าบูชาพวกชายไม่จริงหญิงไม่แท้พอแก่ก็ไม่มีใครนับหน้าถือตาสมภารวัดป่ามะม่วงพูดด้วยถ้อยคําคล้องจองผู้บวชหม่ทั้งห้าฟังแล้ว ก็ได้แต่นั่งทำตาเปรบ